จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอดีตราชธานีเก่าแก่ของไทยนะัเป็นเมืองที่คนไทยของเราทุกคนต่างตระหนักดีถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานแล้วก็คงไม่มีใครนะคะลืมไปค่ะว่าเมื่อกว่า600ปีล่วงมาแล้วนั้นเคยเป็นเมืองหลวงที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงามเพียงใด ความอลังการแระ ก, การตาของปูชนียสถานสำคัญต่างๆที่มีอยู่ในหลายแห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะสามารถตอกย้ำให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองอันเป็นกรุงเก่าแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีรวมถึงซากปรักหักพังของโบราณสถานบางแห่งก็ยังคงหลงเหลือเจือปนไปด้วยกลิ่นอายของร่องรอยอารยธรรมแล้วก็ความเป็นไทยให้เห็นอย่างเด่นชัดบรรยากาศที่เคลิมและก็เงียบงันในบางขณะ ก็สามารถทำให้บรรยากาศซึ่งสะท้อนความเป็นเมืองเก่าของพระนครศรีอยุธยาดูลึกลับซ่อนเร้นที่แฝงไปด้วยเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานอาถรรพ์มากมายค่ะดังเช่นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะตรงใจกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่เราจะนำมาเสนอดังต่อไปนี้ค่ะเป็นอาคารโบราณอายุประมาณ66ปีอาคารหนึ่งค่ะเป็นอาคารทรงศิลปะประยุกต์ไทยฝรั่งเศส ซึ่งสร้างในสมัยท่านจอมพลปอบพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีอาคารหลังเดิมนี้คืออาคารสารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสารากลางหลังนี้ตรงด้านหน้าส่วนบนสุดนะคะจะมีพระบรมรูปวีรกษัตย์และวีรกะสัตรีซึ่งได้ประกอบคุณานุประโยชน์อย่างใหญ่หลวงไว้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะ ที่เรานำเอาเรื่องราวของสารากลางนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่มุ่งเน้นให้ทราบถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาหรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิญญาณที่สารากลางหลังเก่านี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเคยมีเรื่องเล่านะคะว่าเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาอาคารศารากลางจังหวัดหลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ก้ามปู ต้นยางและก็ต้นใสนะคะทางด้านหลังของสาระกลางก็จะเป็นดงไม้รกครึม้มมีบ้านเป็นขอปมีบ้านของพันโรงนะคะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีตั้งอยู่เรียงกันสามหลังค่ะ แล้วก็มีบ้านของข้าราชการต่างๆตั้งอยู่ในแนวริมถนนโรจนะใกล้กันกับจวนข้าหลวงประจําจังหวัดนะคะจวนข้าหลวงประจําจังหวัดซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันนั่นเองนะคะเวลาทํางานข้าราชการก็จะเดินมาบ้างนั่งสามล้อมาบ้าง ถ้าไกลหน่อยก็รอนั่งรถเมย์ข้างโถงอันหมายถึงรถโดยสารโบราณค่ะที่ต่อตัวถังด้วยไม้เปิดโล่งทั้งคันมีเพียงหลังคากันแดดกันฝนพันโรงศาลากลางทั้งสคนค่ะก็จะผลัดเวรกันดูแลศารากลางแล้วก็จัดเวรเฝ้าสาลากลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํำตรวจกองเมืองที่มาตั้งป้อมหน้าสารากลาง ก็จะมีห้องพักเวรนะคะอยู่ที่ชั้นล่างของสารากลางวันละคนสับเปลี่ยนกันไปค่ะแต่หน้าที่การดูแลทำความสะอาดตามชั้นต่างๆนั้นนะคะก็จะแบ่งกันชั้นละคน ผ่านโรงที่เคยทํางานประจําอยู่ในอาคารสารากลางเก่าเคยประสบพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์วิญญาณที่สถิตอยู่หน้าอาคารหลังนี้มาหลายครั้งหลายหนนะคะเนื่องจากสถานที่ตรงนี้แต่เดิมนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของวัดร้างชื่อวัดขุนเมืองใจค่ะ ที่ตั้งสารกลางปัจจุบันด้านหลังเดิมเป็นป่าช้าวัดบ้านพันโรงทั้ง3าหลังก็ตั้งอยู่ในบริเวณป่าช้าเช่นกันนะคะเวลาพันโรงจะไปสารกลางก็ต้องไปพร้อมกันกลับก็ต้องกลับพร้อมกันเพราะต่างคนต่างก็กลัวผีไม่กล้าเดินคนเดียวสาะกลางหลังนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยหลวงบริหารชนบท หรือว่ า, าหลวงสารสรีหัตรายมาเป็นข้าหลวงนะคะประมาณปีพุทธศักราช2483พอสร้างเสร็จขุนบริหารชนบททำงานที่สารากลางอยู่ได้แค่ปีเดียวพอถึงปี2484ท่านก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะโดยกล่าวกันนะคะว่าวิญญาณของท่านข้าหลวงนา น, นี่เฮียนมากค่ะแม้ว่าตายแล้วก็ยังเป็นห่วงสารากลางที่ท่านคุมสร้างไว้ มีเรื่องเล่านะคะว่าพัานโรงเก่าๆและข้าราชการที่ทำงานอยู่ที่สารกลางในอดีตต่างเคยพบเห็นวิญญาณของท่านมาเดินวนเวียนอยู่บนชั้น3ของสารกลางบ่อยๆ บางครั้งนะคะก็มีคนเคยพบท่านมานั่งทำงานที่โต๊ะทํางานของข้าหลวงประจำจังหวัดในสมัยหลังๆมาก็มีเหมือนกันนะคะโดยคุณสุชาติจีนแก้วนะคะเป็นพนักงาน ร, รักษาความปลอดภัยซึ่งทำงานอยู่ที่อาคารศาลาหลังเก่ามาเป็นเวลากว่า30ปีค่ะเล่าให้เราฟังนะคะว่าสำหรับตัวเขาเองค่ะเขาบอกว่าเขาเคยประสบพบเจอกับพลังลี้ลับของวิญญาณที่สถิตอยู่ในอาคารมาแล้วหลายครั้งหลายหน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเสียงกลิ่นตลอดจนปรากฏการเหนือคำอธิบายหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เคยสัมผัสพบเห็นแบบตัวเป็นๆ น, นะคะเหมือนคนรุ่นก่อนๆโดยคุณสุชาตินะคะก็ยังเล่าต่อไปนะคะบอกว่ามีพันโรงเก่าคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยพบเห็นการปรากฏการของวิญญาณท่านข้าหลวงมาแล้วแล้วก็ประสบการสยองในครั้งนั้นนะคะ ทำให้พันโรงไวชาราค่ะต้องจดจำมาตลอดชีวิตและไม่อาจลืมบรรยากาศความน่าหวาดสะพรึงในครั้งนั้นได้เลยพันโรงเก่าซึ่งกเกษียณไปแล้วคนดังกล่าวนะคะก็ได้เล่านะคะให้เราได้ฟังนะคะแล้วก็ได้เล่าให้คุณสุชาติฟังด้วยนะคะว่าประสบการณ์วิญญาณของเขานี่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นตอนค่าของวันศุกร์นะคะ กลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาต้นฤดูหนาวน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็แม่น้ำป่าสัก์เออมาท่วมริมฝั่งบางส่วนนะคะไหลเข้ามาตามคลองเล็กๆที่มีอยู่ทั่วไปในเกาะเมืองโดยเฉพาะออคลองเล็กข้างสารากลางค่ะ ลมหนาวตอนเย็นจนข้ามพัดพลูมากระทบใบก้ามปูเนี่ยโหต้องบอกเสียงดังกลาวนะคะพันโรงที่ยังทำความสะอาดห้องไม่เสร็จเพราะว่าวันนั้นมีงานประชุมสำคัญเรื่องการจัดงานกาชาิจังหวัดจึงเลิกประชุมช้าเกือบ60มงเย็นเลยทีเดียวซึ่งขณะกำลังทำความสะอาดห้องกลางเสร็จนะคะเขาก็ปิดกุญแจห้องกลางแล้วก็เดินไปที่ห้องทาการของท่านข้าหลวงที่อยู่มุมตึกชั้นที่3ด้านทิศใต้ ครั้งแรกค่ะที่เขามองเข้าไปในห้องก็เริ่มแปลกใจว่าก่อนที่จะไปทำความสะอาดห้องกลางชั้น3นั้นเขาได้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าไปแล้วแต่จู่ๆทำไมไฟยังคงเปิดอยู่หรือว่าเขาอาจจะลืมปิดสวิตช์ไฟฟ้าก็ยืนคุ้นคิดอยู่สักครู่นหนึ่ ง, งนะคะคือขณะที่กําลังลังเลใจพันรงก็สาวเท้าผ่านความสลัวของบรรยากาศยามค่าผ่านทางบันไดค่ะไปยังห้องทาการของท่านข้าหลวง ประตูห้องปิดอยู่ค่ะเพราะว่าเขามองเห็นกุญแจห้องคล้องอยู่ในสายอยู่แต่ไฟฟ้ากลางห้องเปิดสว่างแสงส่องลอดรอยประกบบานประตูแล้วก็ช่องลมด้านบนออกมาในใจนะคะของพานรงคนนี้เนี่ยเขาก็คิดนะเะว่าท่านข้าหลวงคงลืมปิดไฟฟ้ามากกว่าคิดเรื่องอื่นๆแต่ก็แปลกใจอยู่อย่างเดียวว่าทุกครั้งท่านข้าหลวงเนี่ยคือไม่เคยลืมปิดไฟ ะะทั้งยังกำชับเขาเสมอว่าอย่าลืมปิดไฟฟ้าก่อนเปิดก่อนปิดห้องหลังทำความสะอาดนะคะเขาก็ไม่ลังเลใจค่ะล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบลูกกุญแจห้องท่านข้าหลวงไขกุญแจออกมาเปิดประตูออกมาแล้วก็เปิดห้อง ว้างออกนะคะทั้ง2บานวินาทีนั้นนะคะเขารู้สึกบอกว่าผมบนศรีรษะนี่มันตั้งตรงแล้วก็เหมือนศรีรษะของตนเองนี่ใหญ่ขยายออกไปเกือบเท่าตัวด้วยความตกใจสุดขีดนะคะเพราะว่านะคะร่างที่เขาเห็นนั่งอยู่เก้าอี้ทํางานของท่านข้าหลวงนั้นเนี่ยเป็นร่างของชายชราค่ะผมขาวโพลนคณีอายุไม่น่าจะน้อยกว่า70ปีสวมเสื้อราชประแตนสีขาวสวมแว่นสายตากําลังก้มหน้าเขียนหนังสือหรืออะไรสักอย่างนะคะ ที่เขาตกใจแทบสิ้นสติเพราะว่าชายชราที่นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานของท่านข้าหลวงนั้นไม่ใช่ท่านข้าหลวงคนปัจจุบันที่เขารับใช้แต่เป็นใครที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอบานประตูเปิดร่างนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาสบตา ก, กับเขาพร้อมกับเลือนหายไปเหมือนอากาศาธาตุเขาได้แต่ตะโกนร้องออกมาสุดเสียงได้แต่ได้สองคนะคบบอกว่าผีหลอก แล้วก็หันหลังวิ่งลงบันไดชั้น3ชั้น2ลงมาถึงชั้นล่างจนมาล้มสิ้นสติอยู่ที่โต๊ะตํารวจยามเขาหมดสติไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังพอฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมาเล่าความที่ตัวเองเจอเนี่ยให้เพื่อนพันธุ์รงอีกสองคนฟังเพื่อนทั้งสองคนก็เลยพาขึ้นไปบนห้องทําการของท่านข้าหลวงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ค่ะทุกอย่างปกติแม้แต่ไฟฟ้าที่เขาเห็นว่าเปิดทิ้งไว้ก็ยังคงดับสนิทอยู่นะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากปิดห้องทำการแล้วรุ่งขึ้นค่ะพันรงทั้งสองก็เลยพาเขาไปรถน้ำมนต์กับหลวงพ่อที่วัดจากนั้นเขาก็กลับมาดูรูปอดีตข้าหลวงที่ติดไว้บนผนังสาลากลางก็เลยรู้นะคะว่าท่านคืออดีตข้าหลวงผู้สร้างสารากลางหลวงบริหารชนบทนะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนเกิดของท่านนั่นเองค่ะซึ่งพันรงคนดังกล่าวนะคุณผู้ฟังเขาก็เล่าเข้าเชื่อนะคะว่า อาจจะคงด้วยเหตุนี้วิญญาณของท่านก็เลยมีโอกาสกลับมาเยือนสถานที่ที่ท่านรักแล้วก็ห่วงยายอีกครั้งหนึ่งคือกล่าวกันนะคะว่าพัานโรงและก็ข้าราชการรุ่นเก่าๆที่เคยทํางานล่วงเวลาอ่าเล่านะคะว่าดวงวิญญาณของหลวงบริหารชนบทข้าหลวงผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสารกลางหลังนี้ค่ะเคยปรากฏกายให้เห็นอยู่เสมอที่หน้าต่างห้องและก็นอกห้อง แต่ก็ไม่ได้แสดงอาการหลอกหลอนได้ใดนะคะบรรดาผู้พบเห็นแม้จะหวาดหวั่นอยู่บ้างค่ะแต่ว่าหลังจากได้เห็นแล้วก็มีลาบรอยทางลอตเตอรี่อีกด้วยนอกจากนี้นะะี่ยะยังมีการเล่าต่อกันอีกค่ะว่าข้าราชการที่ทํางานอยู่ในอาคารแสลากลางเก่าเนี่ยมักจะพบเห็นร่างของสตรีโบราณในชุดไทยห่มสะบายเฉียงยืนอยู่ใกล้ๆ ก, กับต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวอาคาร และบางครั้งนะคะก็มาปรากฏกายให้เห็นเป็นตัวบนอาคารตามห้องต่างๆบ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีใครทราบนะคะหรือไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงโบราณคนนี้เป็นใครซึ่งขณะที่คุณสุชาติจีนแก้วพนักงานรักษาความปลอดภยัยซึ่งทำงานที่อาคารสาระกลางหลังเก่ามาเป็นระยะเวลากว่า30ปีเล่าถึงประสบการณ์หลอนนะคะที่เขาประสบพบเจอมาด้วยตัวเองให้ฟังนะคะว่าคืนหนึ่ง ผมเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่บนชั้นสองตามปกติขณะกาลังเดินอยู่หางตาก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ภายในห้องโถงขนผมนี่หูลุกเกลียวขึ้นมาทันทีเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาดึกมากแล้วแล้วก็มีผมอยู่แค่คนเดียวคือทั้งอาคารเนี่ยไม่มีใครแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือจูจ่ๆไฟบนชั้น2ก็ดับพรึบลงมา ยังไม่มีปีมีขุยผมตกใจแล้วก็สะท้านไปทั้งตัวอดนึกถึงเรื่องวิญญาณในอาคารที่เคยได้ยินได้ฟังมาไม่ได้แต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือทำเป็นไม่สนใจแต่แอบชำเลืองมองผ่านความมืดอยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นประตูห้องโถงก็เปิดกระแทกอย่างแรงเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลักมาจนเกือบจะกระแทกโดนหน้าตอนนั้นผมรู้สึกชาไปทั้งตัวได้แต่ยืนตัวแข็งใจหายวับอยู่ในความมืดผมคิดในใจว่า ถ้าหากประตูเปิดผางออกมาแบบนี้และมีใครโผล่ออกมาแล้วก็จะทำยังไงจะแหกปากร้องหรือเป็นลมดีวินาทีนี้จะเปิดไฟฉายก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวจะเจอกับภาพที่ไม่อยากจะเจอจะก้าวขาก็ไม่ออกและตอนนั้นนั่นเองที่ผมได้ยินเสียงเหมือน เ, อเสียงฝีเท้าคนนะคะกำลังเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องโถงเขาก็บอกนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทำให้ผมรู้สึกกลัวได้มากเท่านี้ แต่ก็พยายามรวบรวมสติรวบรวมความกล้าเท่าที่มีอยู่พยายามก้าวขาออกจากที่นั่นและพอผมลงมาจากชั้นสองได้สำเร็จแสงไฟบนชั้นสองก็สว่างพรึบขึ้นตามปกติผมได้แต่คิดว่าเขาคงมาหยอกเล่น แต่อีกใจก็คิดว่าขืนมาหยอกแบบนี้บ่อยๆคงไม่ไหวแน่ยังดีที่ครั้งนี้ผมไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนเหมือนคนอื่นเพราะเคยมีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ทำงานอยู่ยันค่าพบเห็นผู้หญิงในชุดไทยห่มสบายเฉียงเดินผ่านแบบแวบไปแวบมาหลายคนแล้วบางคนเห็นถึงขั้นมายืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานเลยก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่เขาเคยเจอนะคะรปภท่านนี้เนี่ยก็คือคุณ สุชาติจีนแก้วนะคะเคยเจอมากับตาตัวเองก็คือบอกว่าเย็นวันนั้นเนี่ยคือใกล้ค่ำแล้วล่ะโดยที่แบบช่วงเพลเพพอดีคือยืนสูบบุหรี่ตรงเฉลียงตรงปีกซ้ายของตัวอาคารนะคะเขาบอกว่าอยู่ๆก็มองเห็นผู้หญิงรูปร่างสมส่วนผิวขาวนุ่งผ้าสีเข้มใส่เสื้อหรือผ้าสบายเฉียงก็มองเห็นไม่ถนัดคือเป็นสีเขียวนั่งพับเพียบมองจ้องมาที่ผมไม่กระพริบตาก็รู้สึกในใจว่าเอ๊ะนี่คนหรือเปล่า ผู้หญิงคนนั้นก็วูบหายไปเหมือนเราเอามือไปกดปุ่มปิดโทรทัศน์คือภาพในจอมันจะวูบไปอย่างนั้นเลยนอกจากนี้นะคะคุณสุชาติจีนแก้วก็ยังเล่าให้เราฟังต่อไปนะคะว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ในตัวอาคารสาะกลางเก่าแห่งนี้พบเห็นการปรากฏกายของวิญญาณสตรีในยุคโบราณเข้าอย่างจังกล่าวก็คือตามปกติแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ท่านนี้จะมาทางานแต่เช้าตรู่ วันเกิดเหตุเธอก็มาถึงสำนักงานเป็นคนแรกค่ะพอมาถึงก็มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆวางไว้บนโต๊ะนะคะระหว่างนั้นเธอก็ ก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยแหละเพราะว่าอยู่ๆแฟ้มเอกสารเล่มหนึ่งก็เลื่อนหล่นจากโต๊ะทำงานราวกับว่ามีใครมาปัดให้ตกนะคะทั้งที่ตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้กระทบดนกับแฟ้มเอกสารเหล่านี้เลยแม้จะรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่เธอก็ยังไม่ได้คิดอะไรจึงก้มลงไปที่พื้นเพื่อเก็บแฟ้มเอกสารเล่ม น, นั้นค่ะและวินาทีนั้นนั่นเองเธอก็ได้ประจันหน้ากับร่างของหญิงสาวในชุดไทยผมสบยเฉียงใบหน้าเรียวงาม นั่งผับเพียบอยู่ตรงมุมห้องและกำลังจ้องมองหน้าเธออยู่โดยเห็นอย่างเต็มตาผ่านช่องว่างใต้โต๊ะทำงานของเธอเจ้าหน้าที่สาวคนนั้นกล่าวถึงกับพงะตกใจกับภาพที่เห็นนะคะเธอรู้สึกเหมือนคล้ายกับทุกส่วนในร่างกายถูกตรึงไว้อย่างนั้นโดยไม่สามารถขยับขยียื่นเคลื่อนไหวใดๆไ ด, ไ ด, ได้และแม้แต่ว่าหญิงสาวในชุดทายจะส่งยิ้มให้เธอแต่นั่นไม่ได้ทําให้ความรู้สึกตโนกลดเลือนลงไปเลยแม้แต่น้อยเกือบครึ่งนาทีค่ะ ที่ทั้งสองจ้องประสานสายตากันจากนั้นร่างของหญิงสาวในชุดไทยก็ค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้แต่กลิ่นหอมจางๆของน้ำปรุงนะคะที่โชยมาจากกายของสตรีโบราณซึ่งเชื่อได้เลยค่ะว่าต้องไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชวนสะพรึงในเช้าตรู่วันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีคนดังกล่าวไม่เคยมาทางานแต่เช้าตรู่อีกเลยทุกวันนี้นะคะยังคงมีคนพบเห็นอะไรแปลกๆอยู่เสมอ จนคนที่ทำงานนี่ก็ต่างรู้สึกว่าชินกันแล้วเพราะว่าทุกคนรู้ดีค่ะว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ต้องการมาหลอกหลอนเราแต่การที่มาปรากฏตัวหรือว่ามาแสดงพลังให้เห็นในรูปแบบต่างๆก็เพื่อให้พวกเรารู้นะคะว่าเขายังอยู่ที่นี่ฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องไม่ทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างเด็ดขาดนะคะสาหรับ พี่ที่เป็นรปภนะคะก็บอกว่าทํางานอยู่ที่นี่มา30กว่าปีเคยเจอหนักๆอยู่แค่สองหนอย่างที่เล่าให้ฟังนอกนั้นก็ได้ยินแค่เสียงบ้างเห็น <He S 2> เป็นเงาวูบวาบผ่านไปมาบ้างก็ไม่ได้กลัวอะไรมากนักเพราะอยู่ที่นี่เหมือนเป็นบ้านของตัวเองแล้วคุณสุชาติจีนแก้วนะคะบอกกับเราในตอนท้ายเหมือนกันสนทนากันค่ะบอกว่าปัจจุบันค่ะบริเวณชั้นหนึ่ง ด้านหน้าปีกขวาของอาคารสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่าใช้เป็นอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนัก ง, งานการท่องเที่ยวภาคกลางเขตหซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของกรมศิลปากรนะคะ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงสารกลางเก่าของจังหวัดพระนครศรีอ ย, ยุธยาเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยภายนอกค่ะ ยังคงรูปแบบเดิมไว้ที่หน้าอาคารยังเป็นรูปปั้นวีรกษัตว์และก็วีรกษสัตรีองค์สำคัญสมัยอยุทยาหกพระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระบรมตรัยโล ก, กนาฏสมเด็จพระสุริยโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ ในส่วนชั้นสองนะคะจัดเป็นห้องนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใช้เป็นหอศิละปะแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยค่ะ